ท่านพี่ขึจ้นหน้าไปอย่างละเอียดแล้วโม่เฮาเนี่ยมันเป็นนับโทษสมุติจังไนจะมานับโทษในไตโลกธาตุนับแต่พุทมโลกลงมาจนถึงหาว้กีนรกจนถึงพวกเกิดในขั้นก็ดีเป็นตัวละังออกมาเกียนพุทธ เกิดแนฟ้องไข่เป <ều> ็นตัวแล้วออกมาแล้วก็เกิดในเทาแนไข่ที่ของมักหมมแล้วก็เกิดแจะก็ออกมาคือจังคนวาใบกูท่าเปลี่ยนเมีองมาว่าเนี่ยเกิดพุดขึ้นนี่จำพวกหนึ่งพวกกําเนิดทั้งซีนี่เกิดพุดขึ้นคือจังใดมันเฮ็ดมันนอมัยบอโมมน่นมันบูมีวินญ่าน อุปมาคือพวกไปนรกเรียกว่าจำพวกเกิดพุดขึ้นเป็นตนเป็นโตัมากที่เดียวเพราะพ้นของกรรมแต้งให้เกิดพุดขึ้นพวกไปสวรรค์ก็เกิดพุดธขึ้นพวกสวรรค์ก็พวกไปนรกไม่แนวเทียบได้กับนอนฝันเดี๋ยวนอนฝันนั่นเท่าก็นอนโกนโกกคือพี่ล่ะมันก็เป็นโตเป็นตนเป็นผูกเป็นข้นเป็นชัดเป็นบุกข้นไป เพงว่าวเวลามันได้รับสุขมันก็นนกได้รับสุขเวลามันได้รับทุกข์มันก็ได้รับทุกข์นี่มีความฝันในเดี๋ยวมันแปบผันแปบหนี่อันนั้นอันนี้รับกลับแกบในหนึงเป็นอันนั้นมาในหนึงเป็นอันนี้มาในหนึงเห็นอันนั้นในหนึงผิดเห็นอันนี้นึ่งเปลี่ยนไปเป็นอันนั้นไปเปลี่ยนหนึ่ ง, งสี่เขานอนรับมันก็เป็นพวะว่างอันนึงมันเป็นถ้ำพระว่างธรรมดาของโลกพระว่างไฟว่าพบ เพราว่างผู้ภาวนาก็าดีหรือผู้ภาวนาก็าดีเส้นสีได้ทุกหน่อยทุกหลายในด้านจิตใจ น, นี่เมื่อก็เรื่องเป็นแต่ละลายของบุคคลขันผู้ปฏิบัติศีลธรรมหลายด้านทุกใจก็นหนอยลงขันผู้ปฏิบัติบัตเสียเลยด้านทุกใจก็นมีมากเวลานอนรับไปฝันไปก็ดีหรือเวลาตายไปก็ดีเวลาเกิดเป็นอุ ปอุปปาทิกาก็ดีแล้วเกิดในฟ้องใครก็ดีหรือเกิดในขั้นของมัณฑาก็ดีนี่สอสแสดงให้เห็นว่าในไตรโลกธาตุนี่มันยังเป็นคุกใส้ซั์ทั้งหลายอยู่ผู้ช่องเที่ยวในวัาสงสารคุกทั้งหลายเลาวนี่ล่หละเมือ่อผู้ไม่ปัญญาเห็นสอดซอง ได้ฟังบ้างได้ยื่นบ้างได้เอาไปพิจารณาบ้างแล้วมันเกิดขึ้นก็โตบ้างแต่ผ่านอุปสรรคม้าบ้างถ้าเกิดม้าเนี่ผ่านอุปสรรคม้หลายอันแล้วนับในอดีต <c oughs> ก็นับเอาไว้ควมดีใจเสียใจที่ผ่านมา้าหรือความหิวความอยากควบหอนควมหนาวความเก็บควบป่วยกับผ่า น, นม้าพระนิรันดร์มิทราบนี่พบยุคกันยังเสด็ผ่านไปอีกอยู่ เมื่อต้องสงสัยผายๆ า, ายคือการเมตดว่าผู้มีโลกน้อยฉันก็ว่าซิซื้อผลที่สุดมันไม่มีแนวใสซื้อกับผ่นวาโลกสลาอีกแล้วทุกปันไดซัดทั้งหลายลนยวตรสสารสงครามนี่ทุกจุดไม่มีภูภูยูใด นี่เที่ยงเกิดเที่ยงตายเพียนศาสเพียนศพจูงสัตวอันกวมเพียนศาสเพียนศพเพียนศาสเพียนภพมันว่ามนันเพีย้ยนสื่อมันมีทุกข์ด้วยศาสมนุษย์ก็เป็นทุกข์จำานี้เสื้อศาสติรษานาี่เป็นทุกข์จำไหนเสื้อเปโตกมรรคก็ที่สุขทุกข์จำไดฝใส่กับยาคูใส่เบ็ดเดียวนึง ก็ห้อนสียตายไปเหยียบไฟเพราพ่อสวม้งจะใครตกไหวภายในอันซัวมู่ห่อจะไปตกมวละคกะหี่ห้อยกลับห้อยกันเปี่ยความเปี่ยงง่ายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดที่ในมวลคหกขันอันนี้พ่อให้เกิดอันนี้พ่อให้ตายผลของกรรมของตัวพ่อให้ตายในมวลคหกผลของกรรมของตัวพ่อให้เกิดในมวลคหกเพราะทนทุกพรายไปสร้างไหวพญายอมก็บรรยายสร้างไหว พระพุทธเจ้ากับพระเดชะสางไหวศาสนาอื่นๆกับพระเดชะางไหวกรรมของสัตว์ทั้งหลายสางไหวส่วนสวรรค์กับือนกันทเทวาดากับพระเดชะสางไหวพระอินทร์พระพุธพยมพระกาลกับพระเดชะสางไหวกรเมเจ้าของสางไหวต้องค่อยเกิดเป็นของทิพย์ขึ้นของทิพย์มันมีทั้งสองทาง ล้มีทั้งทั้งดีทั้งชัวตกมลหกก็เป็นของทิพย์คือกันไปเป็นสัตย์สารก็เป็นของทิพย์คือกันไปเป็นเปนตอสุรกายก็เป็นของทิพย์คือกันเพราะฝนของกรรมฝ่าหายเป็นทิพย์เหตุยังสั่นพระพุทธเจ้าจึงสร้างบาลามีมาศีอสงไข่แสนมหากรัปหมายความว่าปัญญาทิกระอันนี้ตัดสะดุ้ดได้เร็ว ภูวิเดยยธิกะภบสทัทธาธิกากันสิพบกระสงค์ยครก็มีจังไนมาเทศนาสร้างสอนสัตว์ทั้งหลายออกมีคําเทมาเทศนาอันเดียวกันไม่ได้แย่งกันวาได้มีข้อแม่ข้อพ่อกันบม่ได้มีข้อคัดข้านกัน มีท้ำอันเดียวสำหรับมาสร้างสอนในไต้โลกท่าเนี่ใครทีพูดเก่งใครที่เทศเก่งปัณณกะตามก็เล่มกลางของพระพุทธเจ้ า, าทาั้งนั้นละของพระพุทธเจ้าในเทศไปหมดแล้วตอนนี้ตอนพระพุติเจ้าบริเทศมี ตอนได้ภาษา voke ประเทศก็บอมีภาษา v o เทศอรหันเทศพระสดาบันสกทา้ามีเทศก็ดีก็ล่องลอยลอยเดียวอันเดียวกันบอมี่พิษถือกำนักเทศทางในให้นักเทศในทางฟราหมาัดที่นี่ก็เทศมัดยุคิดยุ่ใจยุ่กายของเฮ้ายู่บลงธรร ม, มาจะกเถอะเส้คนควบแก่กันสิ ที่พระพุทธเจ้าทวงไหวถ้ปางไรผ น, นก็ยังถืออยู่พระอดีเจ้าเทศไวถ้าปางไรนพระ พ, พุทธเจ้าองค์กรเทศไหวก็ป้องกันปั๊บๆๆๆๆๆเลยก็ถือยุคคุย่ามั่มี ก, เก็เรื่องงงขึ้นเหลือเอาบ่ลงธรรมะในส่วนปรามาติคคนทั้งหลายสา ท, ทั้งหลายเกิดมาแล้วแก่สัน ความแก่ในสักกนนะลกายของเฮาขบวลยงธรรมจาจักเทือ่อเดียเก็บบัดสันความเก็บของเฮาขบวัลลงธรรมจาจักเถื่อในสักกนลักายนี่เป็นยังเฮาจังยืนเป็นยังเฮาจังเดินเป็นยังจังเฮานางเป็นยังจังนอนพอเปลี่ยนหาความสุขนั่นเองมันว่าพอสีใดสุขอุ ป, ปมาคือโยนทานไฟ มันบัมีบันว่างมันห่อนมือนึงย่อนมือหนึ่งขึ้นก็มือหนึ่งฮับอีกก็ยนมือนึ่งมือหนึ่งฮับอีกเพราะเรื่ตโลกธาตุนี่ยมันเป็นเรื่องสั้นขนเือควบแก่ควบเก็บควบตายมันมีประจําร่างกายสังขารนั่งเฝ้าอยู่แล้วมันวันนี้ไปไสก็เรียกว่าเฝาทุกโฉมมือกังเว้นกังคืนทุกหิวทุกอยากทุกห่อนทุกหนาว พน่นจังว่าทุกขังอนิย asad จังเป็นของจิ๋งย่างประเสริฐหายภากันพิจารณาหามันยิง่งเนอคข่วมเพิ่นทั้งหลายมันจังสิลดลงแนาสิลดบาเพิ่นลงแนเดาพระพุทธเจ้าห้ามบอกให้เพิ่นจิงอยู่แต่ห่างปล่อยค่วมเพิ่นขอให้ยินดีขอวัดปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ในวาัฏสงสารพุ่น เพิ่มเพิ่มในอ น, นั่นผู้ยินดีในถ้มสนะความยินดีทั้งปวงเมื่อผู้เมื่อผึ่ผงโม่อิมในถ้ำโม่อิมในเกศสอดอกใหม่บรรทิตทั้งหลายผู้หวังฝนทุกในวาระสงสารกิจะอิมในสินในถ้ำเหมือนนางแมื่อผึ่งโ่อิมดอกใหม่นั่นบุคคลผู้สางบาปที่นี่ขันว่าดได้สางกับ ยู่ว่าเป็น น, นั่นเเพราะมันเป็นยาเสพติดถ้าลังค้นว่าจะขางวอขาคข้ขยเดือนหนึ่งนอนว่ารับประเสริต้องขาชซะก่อนจังนอนรับประสนสรินนผู้นั้นสะสมไปทางบาปเฮ็ดดีเฮ็ดซัวเฮ็ดไยให้เจ้าของหมดเป็นของทิบเทั่งทั ง, ทงขืนทั่งทังรอง ของทิพย์ในไตโลงกท่านมันเป็นของว่ามันวัตถียงซะแล้วเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายเหมือนกันกันกบพยัยเด็กับปัปปปปปป๊อันไหเกิดก้อนอันนั่นก็เกิดขึ้นแล้วแปรวนไปก้อนแตกสลายแปก่อนอนนันเกิดขึ้นในปัจจุบัน อันนั่นก็แฟ ป, ปวนไปในปัจจุบันดับไปในปัจจุบันอันนี้เกิดขึ้นในอนาคตอันนั่นกาแฟ ป, ปวนในอนาคตดับในอนาคตวน้นอยู่ป่านล่รอรถจะซื้อมาพ่อมันว่าขาด น, นี่นสักคน ร, ร่างกายของโม่เฮานี่แหละแ ก, แก่มาเก็บมาตายมาเนี่ยเรียกว่ามวนหนึ่งของหนัง สีเงินปัณณ์ก็บว่าพ่นตายสีหางสีนี้ปัณณ์ก็บว่าพ่นตายสีรูปสวยรูปงามตามสมมุดปัณณ์ก็บว่าพ่นตา ย, ยสวยดูงามตามสมมุดบัญญัติภายนอกส่วนภายในส่วนปรมาจ ต, ตมันบวสวยบวงงามมันมีแต่ของป่วยของเน่าอยู่ในสกปรกในร่างกายนี่ส่วนสมุติว่าสวยว่างามก็เป็นสมมุติภายนอกหุ่นไพ่นอกนังหุ่มตัวอยู่ซื้อ ปากแดงขิ้วก้องพัดสันหูรักตาไวพัดสันออดังกระโดงพัดันะดมหูดางมองดูดังตง ด, งดง่งพัดเอกินขี่ดังถือกินนำมูกคือการหันละสมมติว่าสวยว่า ง, งามไปใกระกตามเธออันนี้ก็เป็นของจกิงทั้งพิกูลอันนึงบุรงธรรมะจกเทื่อบะมีก็เป็นกังขื้น ทรัพย์ทั้งหลายหักทองที่เอาอยู่ด้วยข่มหล ง, หองของอเจ้าของพอแก่ว่มหลงเจ้าของมาท่านได้ถ้ามันทำความเม่าห้สลางไปนั่นก็มีแต่ท่านชิพาานพวนาของพระองค์เก่าเท่านั้นขันพีออกจากคันแล้วก็เ่ามีเงินต้นเงินปลายมันข้นตาบอดหูหนวกบอดทั้งทั้งในหนวกทั้งทั้ ง, งในบอดทั้งตาปัญญาบอดทั้งตานอกหนว ก, นวกทั้งตา ตาปัญญาหนวกทั้งหูปากรกะบ่กออกเว่าวกระบ่กเป็นคนปากคือบปา ก, กบอออกว่าวเป็นคือจังไหนอุปมาคือว่าว่ามีศีลไม่ทำจิตก็นึกบ่ออกนึกออกไปได้ทา้งบาปหรือว่าจิตว่านึกออกนึกอะไรมามอะไรนึกไปไดทั้งบาปที่เคยโตัวเคยทําสิ้นมาแล้ว ผู้สร้างบุญปุญญาพระโลกกัจฉมิงเป็นที่พึ่งของซัสในโลกนี้และโลกน้าผู้สะสมแห่งบุญน้ามาซึ่งสุขไปเทีย่ยเล็กเทืย่ยนหน่อยจนถึงพระนิพพานเป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานบุญเป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานบาปเป็นหนทางลงสู่นรก มีเพจเว็บไซอสุรก า, ายรัตติรชานเป็นต้นหรือนรกเป็นต้นพอหกคิดหกใจไฟที่เผาโลกเผาสองสานอยู่เยอนี่นั่นเรไม่มย่หมอดได้นี่ฝอยเกิดเพิ่นกระจัดเป็นกล่องหนึ่งอยแกเพิ่นกระจัดเป็นกองหนึ่งอยเก็บเพิ่นกระจัดเป็นกล่องหนึ่งไอยต้เพิ่นกระจัดเป็นก่องหนึ่ง ไฟ่ปราถนาว่ได้สมหวังก็ื่อจะใเป็นไฟ่กองนึงอีกไฟยพัดภาคจากสิ่งที่รักที่สอบใจก็เป็นไฟ่กองนึงอีกไฟ่ที่ปราถนาวว่ได้สมหวังก็เป็นไฟ่กองนึงปราถนาสมหวังแล้วว่าพัดภาค ก, ก็เป็นไฟ่กองนึง่งข่วมปวนค่วมปฏิเทวนาทุกทโศมนณอุ ป, ปายาตก็เป็นไฟ่กองนึง ร่วมลงมายน่นไฟลงมามีลงมาร่วมในไฟสามกองเผาสั์ทั้งหลายอยู่ไฟโลบไฟโกรธไฟหลงเผาขันท่าฉันดานเนี้ยมมีกังเว้นกังคืนเนื่องเลยควอมค่อยสิ้นก็เลยโย่ไปว่างยาบยบว่าเป็นนกกลึงเหยือกค่อยเสียกลึื่งงหา บรานเพนื่นเราหยาบหยากเพื่อให้ถึงงถ้ำก็เลยพอกันยู่กันปไปพอคล่องค่อยสินส้นพระหุรกรรมกรรมสิ้นก็เลยโบเห็นทางจักออกยิ่งว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วยิ่งไก่ไปคขันคิตใจทั้อพรพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จักสแสวงเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตาสมสมุิ ขั้วมันจริงพ่อพูธพระธ่ามประสงค์ก็อยู่ในจิตในใจของเห่าหันละพ่อศาสนาอยู่ในหันแต่หากว่าต้องอาศัยพระพูดพ่อท่ามประสงค์ภายนอกแนะนําสั่งสอนตะก่อนได้เพราะนอกจากพรอพูธพระธรานประสงค์พายนอกนักปราชญ์ที่อยู่ในบ้านในเมืองอมันก็ยากจะสั่งสอนไปทั้งดีเพราะมันเป็นนักปราชญ์ง่วงนักปราชญ์ข้วอิ่มนักปราชญ์บกมีบักม่วง นักป่าทหัวกบหัวเขียดมันกับพะคือพาคือเนิน่พระนิน่ก็สซุ้มประพืชดีก็มียูซุ่มประพืชชั่วกับเป็นเรื่องของตะระไผละมันก็ทิมใบสะกับว่าได้เขียนชนภะพากไว้สิ่งมันนี่เป็นหน้าที่เฮาจิพี่จะหน้าทั้งนั้นเป็นหน้าที่สิบว่านอดใจขันหงจ้ากว่าตกอยู่ในลุมหมุดลุ่มพูด ตกยู่ในมูลังหกแล้วหวนทางออกพระองค์เจ้าทางไหม่จำปางแล้วว่ามีน้ําจกเทือหนทางภายในอกของเข้าลนะ่ะเข้าลาดยางกันยังมีแนวสิได้สอมแทมอยู่เพราะมันซึกรอเป็นเขาใส่กีหินเฮยามฝนมามันก็ซึกร้อเป็นต้องได้บวลบัตยรเรื่อยหนทางคําสอน์พระพุทธเจ้าแท้แล้วนะ่ะ มัมีเนมโหงจกเถือแผ่นยังปัองอดียวยังสันใช้สิ่งพวกวดพวกปัดยังได้ก็บแผ่นยังปงังสันขนวอกแผ่นสันเทากันหน้นาทีที่ปัดจิตปัดใจกวดจิตกวดใจเทาเขาหาเท่านั้นเข่าปฏิบัติเข่าเดินน้ำตามเท่านั้นแะพ้ากายว่าจใจเดินตามเท่านั้นทาส่วนตัวจิตใจของเท่าเนี่ยส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บ่ได้เก่าไปใสบ่ได้มองไปใส เป็นอตอติดโยซำเกา่าโยเป็นเจเพียงมู้ซัดทั้งหลายเกิดว่าเป็นคนตาบอดมันเราไม่เห็นหันทางก็เสือบวดทั้งทางนอกทางในพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตัดก็ว่าเป็นหันทางจะเกา่าโยแหละแฟนอยู่แล้วยังว่าปุ๊เทสูงเมื่อนันุสุติสุธรรมไม่สุจักขุ่งมาเสียนอุตปาทิยานั่งอุตปาทิปัญญาอุตปาทิอาโลโกเป็นธรรมเป็นของเก่า เป็นของเก่าแต่คําซื้อแต่ว่าทํานั่นใหม่อยู่คําศัพ์ว่าบาปกัเป็นคําศัพ์เก่าคำซั์ว่าบุญก็เป็นคํำซัพ์เก่าคำซั์ว่ามรรคผลในพลานกับเป็นคำซับเก่าเพราะมันของใหม่เป็นของเก่าเมดจิตใจในท่องเที่ยวในวัดตาสงสารอยู่นี่กับมันจิตดวงเก่าแต่มันห่างมีเกเลต หุ่มห่อแล้วมันม่เห็นทนทาาสิออกมันก็เลยจำเป็นจำใจอยู่เมื่อบวชหันผลทุกนวัตตาสงสารสิสำคัญว่าเฮาเป็นสมคูเป็นคนสมควณก็ยังสมควนเมื่อไรเพราะมันสมควนทั้งเกิดแก่เก็บตายอยู่มันบวชันสมควนทั้งสิพ้นไปได้ มันสมควรทั้งศิรษะสวยกองทุกอยู่อมันใจถึงทั้งศีมาเสวยกองถุกอยู่มันบ่กมันใจถึงทั้งสีสอ อ, สออกจากวตรรารสองศารผู้ใจถึงสิออกจากวตา ร, รสองศารนั่นก็มีท่านวัดศีลวัดพราวนาวัดใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศรณะจนวันตายระลึกได้กระลึกได้ก็ดีผูกขาจองขาด สนนัอื่นบ่เอามานี่เป็นจิตเบื้องตน้นสีพ่อว่าหน้าเกลีงปนไอกรตามขันจิตใจบ่โนรมูมบ่โอนบ่นบนบนเอียงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่เพลิงแล้วมันก็ไปข่ากับอันว่าอันยัดซัดตัวเทศถือศาสดาอื่นหามักผลนิพานต้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เบื้องต้นสกักก่อน ศีลจังสีมันสมาธิจังสีมันท่านจังสีมันภาวนายังสีมันจึงสิมีอขอบเกตแข้งว้อหมายข้อประพฤติสุตตามายะปัญญาผู้ฟังดีย่อมเนยปัญญาสุสสังละพระเตปัญญั่งฟังด้วยดีย่อมเนยปัญญา ปัญญาเป็นหัวหนา้ามูมัดผู้สียินดีเหลี่ยมใสพระพุทธพระธรรมผสมก็มีปัญญาเป็นหัวหนา้าผู้สี่เหลี่ยมใสในท่านศิลปภาวนาก็มีปัญญาเป็นหัวหนา้าพักหนึ่งพวกหนึ่งก็เหมือนกันหมดแม่งก็เหมือนกันเขาเอาค้นปัญญาเป็นหัวหนา้า พกกรมท่าก็เหมือนกันแจะปัปะญญา ก, กงอันคามก็มีหน้ายกกลายเป็นหน้ายักกามีมันก็เป็นเรื่องก็ผู้เลือกเอาตั้งหากเลือกก็ผู้สมัครก็บุขึ้นก็ผู้เป็นหัวหน้าวันเถอะบางที่หัวหน้าเป็นคนพลาดเข้าเข้าใจเป็นบัณทิตซะว่าฉันเขาไปครบสู้นั่นก็เป็นข้อผิดของเข้าเลยค่ะเพราะเข้าคนไปสวมหัวหเขา พอเหาบ่หุงจักวมเหลือเฟ้นเนีนิสมะกร ะ, ะนั่งเซยโยไข่ข่วรเชี้ยกรจึงท้ำเชี้ยเลยเหลือเฟ้นเชี้ยกรพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญบุคคลบลือเฟ้นบรวยยังขมของกินในปากขมักจากข้าค้อสการงานที่ท้ำลงกขมักจากพลาดมันบ่พี่จาน้าสักฟันอ่ะ หัวมา้าคือว่าขวนว่างซิวไว้บอดีขนไปหัวมาไมาเหยียบเสีว่าพี่จะหน้าเพราขาดปัญญาพราขาดสติสติปัญญามันก็สมดุลกันแต่มีสติกับมีปัญญาคือการทางละดจะปัญญามันก็บแบ่งออกเป็นสองปัญญาในทั้งโลกขี้ปัญญาหากินหาขีอันนั้นเป็นญาปัญญาชนนึง แต่ว่าปัญญาหากินหาขี่แต่ว่าหากินหากขี่ในทางที่ซอกบ่าหาท่าทุจริตนั่นเป็นปัญญาในทางพระพุทธเจ้าสั่งสอนเนี่ยค่ะเส้นปัญญาไปเลีนเลขเลียนขาเรียนบาตรเลีนเบอร์มั้งสิขาดซัด ร, รักซับพระพุทธพิธีกรรมมั้งสิพระพุทธเจ้าบริจัด เ, เขาในปัญญา ท, ปปญญาทปปาุปัญญาทุไปว่าปัญญาพอดี สิงที่ว่าเป็นบุญไปปัญญัะว่าเป็นบุญก็มีสิ่งเป็นบุญแต่แค่ไปบัญญติว่าเป็นบาปก็มีคนขาดปัญญาเนี่ยเพราะเหตุใดเพราะขาดครบบัณทิตบันทิตานั่นจะอะไะครบบันทิตเพรานอะไรยาสุขครบค่อนพลาดจังมันจังเป็นอบายยมุกคำว่าอบายยมุกมันเป็นทางชิบหายอยู่ซึ่งนาซึ่งปากจึงว่าอบายยมุกอบายยมุกนี่ ไม่ได้หมายว่าถึงแต่เลียนเลขเรียนผาขาสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมขาจัดเป็นอบายยมุกอยู่คือกันเป็นท่าชีบหายที่ซึ่งหน้าซึ่งปากมีสารอุทรชขี้หายทั้งยันดานจิตใจภายในในพบนี่และพบนา้าหรื อ, อย่างยิ่งคือพายในผพานกับพระเพรนภาย น, นักเลงหญิงนักเลงสุลานักเล้งเหริงการท่รานั้นขอบค้นชัวเป็นมีเฉียดข้ า, ามทั้งวันงานในทั้งที่สอบมั่นี่จัดเป็นอนาบายยมุกทั้งนั่นพระพุทธเจ้าพระเดสานนี่เป็นคนขี่ข้านอุฒาตาวินทติทนั่งผู้มันยอมหาทรัพย์ได้พระภิกษุสามเณรเหมือนกันมัาเป็นคนขีขน่ข้าในกะหาทรัพย์วะได้ล่ะด้านพ่อหน้ากับพท่านเขาด้านขอวัดกับพระท่านเขา กินลนอนกินลวนอนมิตรกอละนินเรียกว่าคนขีขาดซับด้านพรว น, นาก่บ่ได้ด้านขอวัดก่บ่ได้ด้านทองด้านบนก่บ่ได้ด้านอันไหนก่บ่ได้เรียกว่า ข, า, ข า, าดับชวนฆราวาสการงานอันไหนที่ควรทําในทางบริสุทธิ์ก่บาบ่ถ้ซา ไปดูม้เล็กม้อฟ้าว่าโตสิเป็นคนห่างคนมีคนดีคนได้สีนี้ดวงดีว่าสัน่นแล้วไปค่อยได้ดวงยกหันละจักว่าดวงเสียอะไรมันสีมากนอกจากดวงมโนของเฮาสิทําดีเท่านั้นดวงอันอื่นมันบ่ม า, มาพระพุทธเจ้าสอนให้หักดวงมโนดวงกิจดวงไก่ของเฮาให้ท้ำดีสี่ลงหันม้อมันจะไปหาดอกหาดวงผ้านอกไปว่าไป บนญไปบวงสวงบวงสวงคิดบวงสวงไก่เฮาให้ให้มันทำดีให้ละซัวทำดีนี่เป็นข้าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบางค้นผลว่าทำบุญถ้ำบุญไปประกินแต่เหล่ า, มาเมาแต่ยาขาแต่งวดจะควายแล้วเอาซื้อบุญไปใส่เอาซื้อขอสั่นเฮาเป็นพุทธส้นคนหนากระซื้อพระละหันเอาเมดสะไปยั้งศาสนา ซื้อไหนซื้ออ อ, ออกกระดอมซะหนะปลูกบรวเพลทปลูกเครื่อเขาห่อแล้วมันไปซื้อปลูกต้นตานมันไปซื้อปลูกเขามันก็บพราเปลี่นไปวานพืชทังไหนมันก็ได้ผลอย่างสั่นวานพืชเขาล่องในดินโอ้ยจงไฮเป็นเขาซะผู้ขาเถือ่อนท่านเท่าก บ, บ่ตองได้บ น, นออกมันก็เป็นเขาอี่ส่องเกา พ้าว่างพืชบุญลงในจิตในใจในกายในว่ายจา้าวข้าวคอยจงเป็นบุญเชิญเออวะสันก็บอได้ว่ามันก็เป็นบุญนิสัมเกลา้าข้าวรับตาล้มคอยผู้ขามืดเชเดเออวาสันมันก็บอกได้ปาถนามันก็มืดอยุสัมเกลามันขึ้นยุกับเหตุที่ ข, ททข้าวทาดีทําซัวขั้นเ้ามืนตาขึ้นตาข้าดีดีวาตาา่ตาฝา่าตาฟางแล้วมีไฟไตอยู่ พอเห็นฮวงเธอฮะก็ไ่ได้อธิษฐานมันเห็นเองมันบาปก็เป็นของทิพย์บุญก็เป็นของทิพย์เมื่อเห็นอยัมประท่านตาทีว่าเห็นอายัมพระท่านตาอย่างไรเหตุกับผลมันมาอยู่ห่างกันพ่อเก้าเหตุนั่งผลก็นังเหตุนอนผลก็นอนเหตุนึกคิดผลก็นึกคิด เหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุเข่าไก่ในคข้อหม้นั่นผลก็เ ข, กข่าไกในคข้อหม้นั้นเหตุปุกขาก่าเจ้าผลก็เป็นขา่าวเจ้าเหตุปลูกข่าเหนียวผลก็เป็นข่าเหนียวอัน น, นมันยังไกลเยอะอัน น, นเหตุท่างชีพหายสิกลายเป็นท่างเจริศมันทีไปได้ทีงไดน เพื่อไปเลีนเลขเล่นพ้าใช่ไหมดวงบอดีดวงบอดีดวงบอดีเวทันกระดวงบอดีแล้วไปเลีนเลขแต่เล่นแต่เลข แ, แต่ผ้ามันขยิบหายวายวอดเบิ้ขันพระเจ้าพระสงฆ์ผู้หวังผลทุกในวัดตาสมสารเทศให้ทั้งศิลทั้งถ้ำโตคนไปผูกเอาเลขเย็ยบยําทําไร่คําสอนของพระเจ้าแต่ว่าพระบางองค์ พันจังไรเยอะแล้วพันไปยินหนีน้าเขาเพราะบงชักขั้มไม้สินธรรมของเจ้าของโมฆะมงค์หัวหล่นเจ้าของโมฆะขั้วไมายคําสอนพระพุทธเจ้าบสมว่าอนุตรังฝุ่นยักเขตต่างโลกัตสาติผู้ว่าเยอะแยะนี่เป็นผู้สมแล้วบอสันบอสกับบว่าสมกับบว่าบสมกับบวาแล้วแต่ผลข้อกรรมที่ตัดสินอันนี้ยอมให้ รรพญากำเป็นพุทธสินน่ายนี่นอบานก็นคือพญากรรมพละพุทธสินไปเรียนไปสอนให้ญาติให้โยมฝึกปือเรียนเลขเรียนพา้าเรียนวัดเรียนมือไปทรงเสรมอาบายามุขทุกประเภทกจิ ก, กงก็คว่มวาอนุตลร่งพุญยักเขตต่างโลกกัตราย์จงังได อนุตลั่งป่าพักเขตตังโลกัสสาตีและเป็นเขตบาวของโลกหละของพระบวชมาในพระพุทธพระพุทธศาสนาเนี่ยบริวาพระเจ้าพระคอยพระกูพระมึงพระบันแวงพระลุบปึงพระบานโคกพระบันบุงเลยพระจังหวัดนครพนมพระมุขทหารพระขัมอีบได้ว่ารเนี ตามคำสอนของพุทธเจ้าอนุตตรั่งคุณยักเขตต่างโลกคัชาติเป็นหน้าบุญของโลกพุนพระสองผู้ที่เป็นหน้าบุญของโลกได้นับจะพระสวัดาวบันขึ้นไปปฏิบัติเพื่อผดทุกในวัาสงสารบวดปฏิบัติเพื่อหาปัจใจซี จีว่านบินธบาดเชนาชนะและเพศชัตว์วัดวัดที่วัดเพื่อแทงลาบเรื่องดแทงหยดในวัตาสงสารวฏิวัติเพื่อทําไร่กิเลสต่อยกิเลสเจ้าของผลหรือไม่ผนก็บพราต้องตีตนตายก้อนไขรร่นลไม้ผก็ตีโยมให้ปล่อยมายุ่งที่บอกตี บ, บ, บืนออกบอกหัวสงสนรโยมผู้ที่เป็นยโยมเต็มภูมิได้ ก็เป็นผู้มีศิลหาบริบูรณ์จึงจัดเป็นสุปฏิพันโนฟายยมแล้วบ่เลีนเลขว่เลียนผาว่เลียนวัดบ่เลียนเบือว่ฆ่าขายเครื่องประหารว่ฆ่าขายมนุษย์ว่ฆ่าขายสัต์เป็นเลื้อนเหงือซัดที่ตัวขาเพื่อเป็นอาหารว่ฆ่าขายน้ำเมาว่ฆ่าขายยาพิษบ่พบมิดซัว ว่าได้ถือว่าสิอึดอยากตายคันรักษาสินหาถือว่าได้ทรัพย์เต็มไตโลกธาตุแล้วเรียกสีและทรัพหรือสัมมาทิฏฐีทรัพหรือปัญญาทรัพย์ถือมดตเอาโลดสมมาทิฏฐิทรัพก็ถือปัญญาทรัพย์ก็ถือสุปฏิปันนะทรัพย์ก็ถือพอถือสุปฏิปัโนโนแล้ว บ, บันทิตโตคารมาวัซันบันทิตเป็นผู้ค้องเฮือนผู้ค้องวัดกับบันทิตคือกันนั่นแหะบพาว่าแต่นผู้ค้องเฮือนนัตถีพาราปรินายก้าคนท้านม่ใช่คนหัวหนาบันทิตตาปริมาปรินายก้าบันทิตเท่านั้นเป็นหัวหนาคนหน่อม้อในทางปนมัตเฉยน่อมั ง, อ ง, องไง ย่อมคิดใจมันคือจะขาัด ร, รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามน่ะนะมันส่งเสริมในทางผิดนี่ย่มนั้นละ่ะมันเป็นพ่านจะไปครอบมัน่นขณะคิดของภายของมัน่นน้องขม่าเป็นโอ้คนนี้โกในทางปรมาจารย์ปรมาจาขม่าในคิดในใจมันจังสิปฏิบัติง่ายให้มันเป็นนิท่าน ใ, นใจของโตนิท่านที่เอาม้าวโม้มนี่เป็นนิท่านของเพลิน เป็นนิทมของเพลินเป็นนิยายของเพลินขันนิย่ายของเฮ้าเนี่ท่านของเฮ้าเนี่ยท่มของเฮ้ไปได้ทั้งบาปเฮ้าก็ไปรับได้รับผลได้ทั้งบาปไปละเมื่อท่านลงไปแล้วม่นต้องการมันก็ได้รับทั้งดีก็คือกันทั้งชั่วคือกันขันเมื่อเห็นสั้์เป็นยังชั้นแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้ากับบอมันคําสอนขี่เท็จแล้วบาปนี้เพิ่งจะของได้ระบาด ขันจิตใจบ่หนีคั่ดออคค ว, วดีประพฤติบ่ดีสิเอาไหนเป็นเครื่องเพิ่งจาของสั่นคว่วซัวสิไหนมันก็มาหาจากของหายมืดเนี่ยเฮ็ดยังเฮ็ดให้จากของมดงเฮ็ดให้ผู้อื่นคือเข้าใจเฮ็ดให้ผู้อื่นบ่ได้นั่งก็นั่งให้จากของผู้อื่นนั่งแทนกับบ่ได้นึกก็นึกให้จากของผู้อื่นนึกแทนกับบ่ได้ฟั่งก็ฟั่งให้จากของผู้อื่นฟังแทนกับบ่ได้ พูดก็พูดให้เจ้าของผู้อื่นพูดแท่นกขบอะไรเข้า่าเทศกับเทศให้เจ้าของฟังคือกันนั่นแหะขัาเจ้าของดีนเหมือนจังคาเจ้าของเทศนี่ก็เป็นของจริงขัาเจ้าของว่าดีเหมือนจังเจ้าของเทศนี่มันกระทบเจ้าของที่ทำเก่านั่นแหละเพราะเหตุให้เจ้าของผู้ฟังก็เท่ากันนั่นแหละบอกของฉัน เห็ดจะปลากือซื้อคิดใจจะของฝุ่นมุ่งเน่าเอิญฝุ่นมันกระทบจะของอยู่ซ้ำเก่าไหล่ะมันมาไปทับปืนผู้ฟังก็คือกันไล่ะผู้ปฏิบัติก็คือการจะมาเห็ดเอาไฟเอามันไหมกระทั่งซัวสิใดมาาขาดัดรักทรัพกับมันเห้าซะประพฤติผิดในกามกับมันเห้าซะเล่นเลีกเล่นผากรแมันเห้าซะสี้ข้านอนเว้นก็บมันเห่าซะเข้าไปทั้งทุกกับมันเข้าเหาเ่ดีย ข้าหายท่านรักษาชิ้นภาวนามีเมตตาภาวนาฮัดเรื่องชีวิตโดยทา้งที่สอบคนทางข้าวดีก็เป็นข้าวของเพผนที่ฮะเนี่ยคือจงเข้าน้าข้าวผนมาเล่มกลางนี่แหละข้าวผนปฏิบัติเพื่อผลทุกในวันตาสงสารพผลละหลบละโกรดละหลงไปละเพื่อเขาสู้พผลในผ่านอันนั้นก็เป็นข้าวของผลท่านเนี่ยบ้านนี่สะเห็ดข้าวของมูเฮ้าท่านเนี่ยข้าวของไผ่ของมันนีข้าวไปทา้งดีและทา้งสัว เข้าก็ต้องหัวจักเองไข้จึงหัวจักทอเข้าเข้านึกจังไดเข้ากระหัวจักเข้าคิดจังใดเข้ากระหัจักเกียรนี่ผู้อื่นมาทำหน้าท่ายักเข้าน่ะมาเลียงกลางเข้าดอกของเข้าหัวจักก่อนเนี่เดี๋ยวนี้เจ้าวอกเทปปากก็ซื้อดอกไอยใจเจ้าบัสนใจในทําจังเม็ดัอเมนเขามาท่วงเขาก็มาท่วงที่หลังเข้ากาเข้าคิตใจเข้าเป็นในสั่นเข้าเข้าก็เป็นก้อนเขาแล้วบอกนะวอกอีลีนาเดี๋ยวนี้ ปฏิบัติอีหลีสนใจอีหลีว่าสัน่นเท่ากับหูจักในเท้าไผยเสมาหูจักท่อเท่าผู้อื่นเสมาทำหน้า ท, ท่ายทัพทัสิจริงก็ตามกระบ่ข่วนให้คะแนนผู้อื่นให้คะแนนเท่าพี่ก่อนของห้องหูจักก่อนคนนั้นแล้วเหตุ่สั่นเจโตปราินญาญาณจึงบ่เป็นของสาคัญในปาฏิหาริ์ทั้งสามอิทธิปาฏิหาริ์ลิป็นอาชจรรย์ก็เสืออมเปญขึ้นกันพโมกคลาากัต หอเหินโดนอากาศได้กับพระพุทธตายานี้พระพุทธเจ้ามุ่นดำดินบินบนได้เม็ดนั่นแหละข้ามดวงพระอาทิตย์เพื่ก็ได้หอบขีดินมดเม็ดแผ่นดินถิ่มมนลงในทะเลก็ได้แล้วก็พ้นตายอาเทศชนะปฏิหาริยะปฏิหารดักใจเป็นอาธิการอันนี้กับบ่สำคัญ อนุสาสนิปฏิหาหาร น, นี่แหละสําคัญคําสอนอาธิกันทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นปาฏิหาร น, นี้ทุกๆุกท่านทุกทุกคนทุกตัวสัตว์อะไรถึงเขาเสือหรือวัวรรก็ตามมันเป็นปฏิหารอยู่ในตัวมื่อตาคืนเป็นปาฏิหารทั้งเห็นหุงแล้วได้รับ ก, บเ ก, บกบ็เป็นปาฏิหาริ์ทั้งมืดอุปมาคือทำบาปก็เป็นปฏิหารทั้งบาปทำบุญก็เป็นปาฏิหารทั้งบุญ อันไหนพระพุทธเจ้าไงายไปให้เฮาหมัดแล้วคันแม้นอาหารกับมันแตงไปสดสดร้อนร้อนหมักแน่ใดให้เลือกกินลูกหลานด้วยร่างมือดีๆซะโมมีนมาบูญน้ำน้อยักที่อาหารพาน อ, อกของเฮาบูญเอาเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านี่บูญเอาบ่เป็นเป็นคําสอนที่มีคาอยู่ทุกยุคยุ ก, ยกสมัยของโลก แต่หาเป็นนาที่ของนักปาฏิสิสารเสริญว่ามันนักเปรตที่มาสรเสริญนักเปรดที่มาเสิร์นอย่างไรเขามันโบเห็นหงส์ส่แหน่ตาบอดบาแงน่ขนเข็มอย่างไรมันกับโบเห็นหงสิแห่สิ่หนแมงวันเขียวม้าเหลื่อมใสเกสนดอกไม้มันก็มาปรไดัเพราะว่ามันถือว่าเป็นของแสลงมันด้ถึงนิสัยกับมันมีแต่แมงพวงแมงเพลิงทอดละ เรื่องไซน์ในเกสรดอกไม้มันไปหากิ่นมันก็บ่กกระทบกระเทือนดอกไม้บัวกระสับน้ำบกคุณบกขีไซน์ขึ้นแม่งวันเขียวแม่วนเขียวขีไซน์พร้อมเป็นนอนพร้อมอุปมาคือคนพลานอุปมาคือไปทางบาปนั่นเพียงสินหาเท่านั้นละโลกทัางไรก็สงบ ป่านาที่บ้าบ่ไปขายซับรักทรบ่ไปขายซับใสเครื่องอาวุธยุทโธปันก็บ่ัจําเป็นต้องเสีเยดชีได้กินไสไหมท่านมันนังมีเนี่ยกินเยอะหันแล้วพระนี่ได้บ่ได้ขาจากโตชั่วบ่ได้กินผู้ขีบบนะ่บัตรน้าช้าหวดเขาขาขายอยู่ในตลาดผุนห้อก็ไปซื้อเอาแล้วบบมันมีประจำอยู่ห้องที่เอาเขามาเทียบพระ ย, ยังพระยังเอาแต่พระพุทธเจ้ามาเทียบไามท่าน เขาบดีคือพ้นมาสั่นกัมเรียนหลังบอมเนขันเข้าเอาคนพ่อปั่นเข้ามาเทียบเข้าอันเด้ล่ะฮะนี่เข้าปั่นแท้งสิซัวก็เขาไปจะพันเทอือบุตรตัวหลังนีน่เอาคนดีปานนั้นเข้าก็ยังบดีป่านพ้นนี่ก็เพื่อเหนือตอกไตไร ล, ลุงฮ้มคำพ่อเมนขันเอาคนตามก็เข้ามาเปลี่ยนอาจารย์ได้หรอฮะนี่เข้าสีบดตามไปก็เขาจะกลั่นเทือบุตรบอกจะเอาคนพ่อเสมอเข้ามาเปลี่ยมูเข้าก็ยังตามพวกเขาไปแล้ว ใย่างเชนจึงเอาพระอริยะเจ้ามาเป็นอย่างอย่างอริยะแปเอาผู้ประเสริฐวันทองมีพระโสดาบันสกทาข้ามีนาข้ามีอรหันต์เป็นต้นก็คนเท่านี้ล่ะเป็นพระโสดาบันสกทาข้ามีนาข้ามีอรหันต์ก็ได้ขาสองแขนสองหัวหนึ่งนี่ล่ะเครื่องทดสอบมันมีอยู่ ขณะเข้าหากว่าสำคัญว่าอบายยมุทุกประเภทเนี่ยมันทีแก้แค่นได้มันบ่กิบหายดอกนะสัตว์ให้ทราบเถิดว่าเข้านี่ยังเป็นลิ่นว่าหันหูจักรถแกงอยู่ย่งเป็นซ้อนย่างหันหูจักรถแกงในภาษาศาสนาอยู่ได้ถ้าปากซื้อผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเล่าผู้ใดเห็นเล่าผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นปฏิบัติเล่าเพราะพุทธเจ้าอังสัตผู้ใดบอเห็นเล่า สิ่าผูกไส้ขีวน้นติดกับเราอยู่สิ่วอ่านั่กอดเล่าอยู่กับโบเห็นเราพอบมเห็นทำรรจึงว่าปฏิบัติบูซ่ามิอันนิสงมากสิเอาดอกไม้บูซ่ามากเต็มเพนฟ้าเพนดินก็บาดทอปฏิบัติบูซาแต่หั่ง บ, บ่ประมาดดีก็มันเทียวถิ่ไมไปซื้อขันมิผู้หายเป็นท่ำกับทองบูซ่าพระอหามบ่หาไปหักมากหามบ่ห้ไปหาซื้อมาก คราวนี้ผู้หาโดยเป็นถ้ำกับตองบูซาคือเขาหายพ่มาไล่นั่นก็บทาท้ายเอาดอก บ, บวัวหายพ่มาไล่เออดอกบัวนี่ได้มาโดยทางที่ชอบเราวมาได้บอกเขาแอกเขาชาติได้โดยเร็วแล้าจะเขาชาติไปบูซาถาดเจียแจวจุลมะนีเพิ่นกระเลือหัวขึ้นไปบูซาถาดเจีจจจจยแก้วจุจจจละมะนีเสื้อลัดนึ่มือเดียว พลัหันแทะกัยังบ่ประมาทอามิซาบุซาบางท่านเห็นหน้าเดียวอมิซาบุซาบาวกเห็นดอกกิบไ ป, ปสมถิ่มซ่าเที่นยนไข่หมูนีม่มาขีดไฟหมูนี่เที่นยนไข่หมูนีก่ก็ถทูปหมูนี่เขาเอามาให้เห็นหน้าเดียวโพดบ่นย่อมบ่งนล้งพุาได้มาโดยเป็นถ้มกระจองบูซาที่ห้องวัดไปแพรไปขอเขาอน้างออบอนวันหน้า เอาดอกบัวไปบูชาพรอปัจเจกเกิดว่าในพบไรสไัตว์ใดให้ข้าพเจ้ามีสีดังดอกบัวนี่เถิดเกิดว่าในพบไรสไัตว์ใดก็มีสีจังดอกบัวจังในซื่อว่าอุบนุนอุบุนก็สิแปลว่าดอกบัวตัะอุปะละนั่นกรรมและผลของกรรมที่ทำบดีนี่มันกระนากลัวนั่มไปายสาัตว์ไรพบจนสัตว์เข่าสูพันิพาน ผลของกรรมที่ทำดีมันก็นัมไปหลายาตหลายภพจนเข่าสู้พระนิพพานคือการนั่นแหละเสบียงบาปกับเสบียงบุญนี่นั่มไปตามจนถึงพระนิพพานแต่ว่าพ้นผู้พ้นเป็นพาาระอรหันต์แล้วนี่ที่นั่ตามพิ้นไปไในมันกับพระท่านเลยหรอไปก็ไปพอดแค่อห่างเพิ่นคือพระโมกขล่าหาันแล้วพาา้นเป็นกรรมว่าทิหาอุบายเอาเมียไปปลอยแต่พระท่านเนีปลอยดอกพอเป็นพาาระอรหันต์มาเกิดมาพบหลายชาติหลาย ถแต่เขาทำลายเพินจนชาติเป็นพระรหันต์นี่ถือโจรมาขามาตีเพินหองเ ห, อเหิอนอาการได้ก็ได้ น, นั้นเศษของบาปเหลียกว่าเวิบัมทีตาจะตายยอนข้อนเขาเพิินก็ด้ได้เขาสู้อนุปันิเศยสนิพานเขามาขัางที่หนึ่งเพิ่นก็หอนี้ยุมายุมานี่ยเพิ่นดูจังุูการราของเพิ่นเพลินก็เรียกแต่ลาพระพุทธเจ้า ก็เลยยอ่อหาเขาขาแต่ว่ากิเลสท่งองพุทโธมีเมื่อก็เคลียด์ทนายมอยอ่อนหายลงรูมก็ไปตีตีตะปาตูมตูมเยอะันแล้วอุปมาคือเข้ามาอยู่ในเฮือนเฮือนห้าวห่างแล้วฟ้าทิมหรอของอันดีดีคนนี้มัดละ่ะยังแต่เศษมัน่นมาสมก็สมนชทไหม่ของดีคอยคนนี้มัดละ่ะสมยอนห้างคอยอ่ะหมายความกำมาเนี่ตามเธง เนพระ อ, องค์เจ้าเฮาเค่อยได้ว่างยาเขาพิดเขาตายโดยพรเกียตหน้าแล้วยังบันดาลเนย ไ, ไปสันมู้งงวนเค่อยได้ตอกอยางปิ่งถ้าเป็นเร็กน้อยหลือ ง, ง้วแล้ควคขั้วปิงก็ง้วกก็คั้วแล้วก็เอามาเสียบทั้งนี้ที่กินดินเสียบทั้งนี้ที่ินดินยึงมากพระ อ, องค์เจ้าก็ได้แบบวั น, นนี้พลานเนี่วันนั่งหั่งทั้งคูเน่ะปิ่นหัวใทย ต้นหั่งต้นตีนแค่ต้นหั่งอันนั้นพ้นก็บอมีพิษมีสงของพ้นผวมไปแล้วเป็นอาวุธชีกรมไปแล้วกรมให้พ้นสำเร็จแล้วแต่ผลนของกรห่างน้ำโยูอันนี้ห้าเนี่ยก่อนพของกรรมน้ำโยห้าวเพราะมันเปลนพระรหัสมันก็ได้ถึ่งเขาถึงหนังเลยแล้วลวันเถอะก็ได้ฆ่าโค้งเแล้วหรือ ว, ว่าสันา่นอรรถสัตว์ทุกตัวสัตว์ ก็ต้องสิปายพระนิพพานเบิดคิ้วยโยหุนแต่ไม่ทางว่าท่านมีคิ้วภูมีศิลหาบริสุทธิ์มีท่านมีศิมีพาวหน้ามีคิ้วละพวกนี่เป็นนิยตโตุคคนแน่นอนแน่นอนที่เขาสู้พระนิพพานยางตําเกิดอีกยศสาอัทธามามาที่ยันตีว่าเอาถือเอาพบที่แปด ยังกลางเกิดอีกสามาสตร์ยางเลาที่สุดเกิดอีกศาสตร์นึ่งก็เขาสุภนิพนัทธนี่อยากขาพุทธมจรัลเบื้องต้นอยกว่าสุปฏิปนโนเข้ามาสุปฏิปนโนนี่็หมายแต่พระปสุสัสมเนธนี่หมายฆราวาสนําอุชุยยะสามีก็เหมือนกันแต่ฆร า, าวาดได้พระรหันนั่นหังบ่าสามารถสิยูเกินเจ็ดวันถา้าบ่บวช เพราะเพศฆร า, าวาสนักตุนหินัเพศมรสมทนะพระรหันสยูส่วนฆร า, าวาสในพระอนาคามีนี่ไปยู่ไปจนตลอดอายุไขของมนุษย์เว้นไว้ถึงแต้มีกัมในส่วนตายหงตาย ใครไตหนาวไปยังสัน่นสามารถที่เกิดเจ็ดวันไปได้วางสัน่นเถอะข้านี้ขันมื่อไปยังสัน่นเมื่อทาคาสอนคำวพตถิเจ้าเบ้เอร่ำร่เอียงเขาอันใดาังสัน่นร่มเอียงเขาสั่นวันนั้นยังสัน่นเขาอยู่ฆรวาสเขาก็สามารถปฏิบัติได้ดีอยู่คือกันสูทานทั้งหลายว่อยากบวชก็อยาบวชว่มันสิ แล่วจะ้าคอก็บว่ามันจะหาบวมมัดโลกดรอกมองเห็นคักพ่องแห้งอะล่ะคนบวมมดโลกสรไปบินทบาทน้าไผ่นมองเห็นพ่องแหงแล้วเห็ุทังสันเพลินจังเนะนําอยู่ยเนี่ํา้ำหายินดีกันผูดต้องการถ้ำสันสูงโดยเร็วก็ต้องละฆราวาสเพราะเพาะฆราวาสมันมีการงานร้ายขันห้าวจเอาเพียงแจะประสวตดาบันสักท่าข้ามีอนาข้ามี ก็ดีหรือที่เอาพระละหันก็ดีเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันในท่านฆรวาสมีสิทธิ์ที่ทาได้เหมือนกันภุ่งของพระโสดาบันว่าขาสารักทรัพย์ว่าประพฤติผิดในก้ามย่อมตายต่อศีลหกักศีลยิงกว่าชีวิตหักขอวัดปฏิบัติยิงกว่าชีวิตเสียชีพดีกว่าเสียสัตว์ขันมีสัตว์ก็ต้องมีศีลคนเท่าขันว่ามีศีลก็บว่ามีสัตว์คือกันทะเลาะ สัต ก, กับศีลอาศัยน้ำกันสัจจะความจริงใจคือพื้นสิ่งใดความใดจริงมันก็เป็นตัวศีลยู่ของเก้าน่ะก็เป็นตัวสมารถที่ยุคคือเก่าของเก่าแ่ะเพราะมันตั้งมนันเนี่ยนะฮก็เป็นตัวปัญญาอยู่คของเก้าน่ะเพราะมันหลอกข่มยู่ในอั น, นั้นเนี่ยจาคะศัละสิ่งที่เป็นค่าถึกแก่ความจริงใจอันไใดมันถือว่าเป็นขาสึกต่อความสัตว์ของเห่าห้อยในตั้งสัตว์ไว้แล้วห่อสัลยมั่นบ่ให้มมารบกวน ท่านทั้งไปรักษาศีลแน่ภายในยินคนย่อยเพราะว่าเอ้ยขอแขนหนังกระเทียวแน่เพราะว่าอขอแขนเปลือกศีนแน่เนอเพราะว่ า, า, วาไปไปวันไหวนําเขาซสาไมนเป็นไม่ทักขี่ควายแล้วที่ทําดีก็ไปข้ น, นขี่ขาเอขอทําซัวก็ค่อยตามขอทําดีก็ค่อยตามเป็นคนเพิ่งจะของอะไรตนเป็นอัตหิอั ต, อตโนนาโถตนเป็นที่เพิงของตนตนเป็นที่ทำไร่ของตน ต้นพิษเป็นที่สงสัยของตนเมื่อถ้าควอมดีใช่ต้นแน่มันเห็นอยู่ที่ัต์จัมสัตว์เมื่อโลกเขาภาพเป็นเพราะว่าแมื่อวันเขียวมันกล่าว่าโรคภาพเป็นคือกันเมืผู้เมื่เพือมันกล่ว่าโรคภาพเป็นคือกัาอปลวกหมดมันกล่ว่าโรคคือภาพเป็นคือกันนักปลาเพิ่นกล่ว่าโรคภาพเป็นคือกันนักเป็ดเขากล่ว่าโรคภาพเป็นคือกันเข้าสิเอาอันไหนเขาก็เลือกเอาตี้่เขาไหน เขาว่าอยากเป็นดอกบัวยื้อใต้น้ำเข้าเป็นอยากเป็นดอกบัวตูมอยากเป็นดอกบัวยืเสมอหน้ามือใต้น้ำไม่อยากเป็นสถือบ่มไม่ีบาปไม่ีบุญเอาถือว่าผมไ่มีบาปไมีบุญย่าหัวมันตายแล้วที่เกิดวิถีทำไปดักดักแต่แมงวันมันก็มีครูมีขี้มือกันล่ะขันเข้าที่โซจังสันก็ซอสแสดงให้ว่าบาเรมีของเขานี่ยังอ่อนแต้ม เต็มที่เฮาบอกพ่อสิโซ่ที่ฮเนี่ยือนเฮาสิโซ่ตายจังสัน่นเฮาบว่เป็นที่สบายไกจซะว่าม่นคนสั่นนั่นท่านเนี่ยคนสางสั่นสางบาลามีมาแล้วเป็นเดือนข้างคืนแล้วมีได้ต้องการสีเพ่งสีแห่สีแห่สีเพ่งแบบเท่านั้นเต็มดวงก็คือเพ่งล่ะผู้ท่าบาปมันก็อุ ป, ปมาคือสางคือเดือนขัางแหม นั่งนาอธิษฐาหาบนุนในทั้งบาปนะถ้าบาปแล้วมันไปยศไซมันก็ไม่ยุ่ห้วใจนี่ถ้าบุญแล้วมันไปยศไซมันก็ไม่ยุ่งหัวใจนี่มันบาไปยุ่มั่งฟ้ามังแถมนี่ยังไปถามมั่งรุ่นรุ่นใจเอ้ยใจเจ้าเคยได้สั่งท่านสั่งศีลนําสั่งภาวนานําเพ่นจักเท้อบ่อใครมันเคยได้เฮ็ดมันกระตอบมันไดมันกระตัวมันเปลี่ยนเนาะมันสิตัวมันเป็นยังไง มันสิขี้โลกมันเป็นยังไงหัวในเฮ็ดยุดเดียสันเบนวาได้มันก็บอุ่นใจของมันหูงจักอยู่ของมันตัวมันสิตัวได้ยังไงคือเฮ้าอึดเขานี่แหละคอเฮาอึดเงื่อนไสน่ะเฮาไปฟากไปข้างเอาไปฟากไว้ดียไปแล้วก็เฮ้าของเฮ้าหูงจักอยู่มันโมบินใส่มาเฮาไปเบิกเอาชอบเก่าหันแล้วของสันเอาโหลดว่าตัวเจ้าของตัวบ่ไใดเด้่เฮ้าตัวเฮ้าทําดีาสันมันก็บเนียนคือกัน่ะ มันต้องมีศรัทธาตัวกันบ่เลยตัวยากแล้วม่นจังถ้ำดีได้ก้อนเหรอตัวไอ้ทําชั่วมันก็ทําำอะไรคือกันล่ะคมันสลัดมาแหละมันกับว่าถ้ำคือกันนั่นแหละไม่ใชิตัวอะไรยังไงตัวเจ้าของในใจโลกกระทัดนี่มันบ่มันของบ่จริงมัดของจริงทั้งทั้งบาปทั้งทั้งบุญทั้งทั้งคุณทั้งทั้งโทษขอให้ตะมูเฮาสางเอาเท่านั้นสางเอาเป็นที่เพิ่งของไฟของมันใจว่าเป็นที่เพิงของใจให้พีทจะได้มาเป็นที่เพิง เพิงตากรเพ่งมาได้เพ่งหูกระเพิงมาได้เพ่งจมูกกระเพิงมาได้เพ่งลิ้นก็เพิงมาได้เพ่งกายก็เพ่งมาได้มันทีแตกสลายเป็นลงไปเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมดินลงไปเป็นเป็นดินน้าลงไปเป็นน้ำไฟลงเป็นไฟลงไปเป็นไฟลมลงไปเป็นลมขันบาทยกขับใจร้ายมันกับไปหาบาปแล้วขันบุญยกขับใจร้ายก็ไปหาบุญขันใจบ่มีกิเลสกับเขาสู้พันนี้พลาดคน มั น, นมาเกิดแก้เก็บตายพุ่นนี่บอกบาบบ้อบุญกบเกิดเกิดขึ้นกับใจหันอริยะธรรมะิโตนะโลอริยะอริยะธรรมถ้ามันประเสริฐกับอยู่ที่นอกระส้นไทก็เป็นนอกระส้นคือกันชนไปส้นมามันเขาหักกับเศราแล้วอืมไปให้เข้าใจง่ายๆอสชนในทางบรมแอนชนในทางแม่นเผ่บ้านนี่ อาชนะก็ควบหลงจากของเ่อน้อยก็ต้องหลายแหละหวองสั่นน้าหาเที่ยวมาหลายสั่นหลายคพบหลายก็ซื้อมายากแม่เนี่ยพ่อเป็นพ่อขยันได้พ่อได้วัดการงสารเต็มไปเลยถ้ากล่องถูกเด้เห็นสัตว์อยู่แล้วทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุกโรคทุกโกรธทุกหลงทุกเว้นทุกไพ่เป็นทุกยิ่งย้อมหยาเอาโหลดอืตายไปกับแบมือแปลงแซงเกิดมากก็เอาดิจิตใจวิญนาทดวงเดียวละเกิด ตาไปก็เอาแต่คิดใจเอาไปวัสดุพ่ายนอกมีมากก็เอาไปบ่ได้มีน้ายก็อาไปบ่ได้มีน้อยก็เอาไปบ่ไ ด, เไได้เอาไปได้แต่บุญก็ บ, บาปเท่านั้นมาเกิดก็ไม่เอาบุญมาเกิดแนี่ยคันไม่ได้สร้างบุญไว้ก็ไ่ ไ, ได้มาเกิดมนุษยาปฏิราภูเราเกิดเป็นมนุษย์อัะไรสอว่าลาบยางยิ่งไมาใช่ต้องทําดีสืบเนาวมนุษย์ไวมันคว่ำถวยลาบเจ้าของมันกับบ่ได้อีกละ่ะ ผมเคยแกนเจ้าของเพราะเดี๋ยมาเป็นมนุษย์กวัวสินะาเป็นมนุษย์แสนทุกข์แสนยากเหมือนกันจักมาแต่สวรรค์หรือจักมาแต่หมาลหกหรือจักมาแต่บนันไดปุุู๊เพนี่ว่าสารุ้สติงานเท่าภาษาหมาตีระลึกได้เขาก็ต้องสื้อผูู้พนันลึกได้ตี่ข้นี่ขันเทาว่าซื้อผู้สูงก็เท่าเท่าก็ตีว้อหมยเท่ากัเป็นทิฏฐิมาณอันนึ่งานี่ ไข่ขกว่างสำหรับเล่าเนี่ยมีผู้ประเสริฐกว่าเล่าเพิ่มมน่นอาทิถีเขายิางเราใหนี่ยเพราะว่าไฮเกียตผู้สูงกว่าโตอืด้านพมานะ่าไผ่สอบพุทธโธใครเอาพุทธโธไผ่สอบพิ่เจ้าควาวตายข้าเอาควาวตายพอได้สอบพิ่เจ้าห้างกระดูกก็พี่เจ้าห้างกระดูกค่ะมันเห็นมันเห็นทอนไหนก็ต้องเพ่งทอนนั่นแหละเป็นอาจารย์เป็นอารมณ์มันหนีไปกระดึงมาก คือเข้าเองวดเรืั้วนย้วเรืองมันบยูสันบยูกลับมาในมันนาทีเข้าสีรัดเด้เขาทิเจ้าว่าขัยตัวนี้บริยูงวตัวนี้บริยูขั้วตัวนี้บริยูขั้วตัวนี้บริยูอยู่มัดหมื่นบอกเขาก็ไปรัดมันที่มันกิจางสียูพอผูกกับผูกมันพอมัดกัมัดมันหายามหามันจินที่ทั้คือการเข้าพระวนาคือกันเ้ยมันบริยูสันก็ท่เอาตะขั้วมันบริยูเนี่นบอกว่าเป็นอาจารย์ใจเข้ากัมีสติปัญญาอยู่เหนือใจมันพน มันบริยูฮอกของจ้ากมันบรยูกับเป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วอุบาได้มันสิยูฮอกกเฮ็ดแต่ตัวอ่าเนี่อุบายได้มันสิดีฮอกกเฮ็ดแต่ัวอุ้ยผู้คานีคนบดีผู้คารีคนบดีรู้าีคนบดีสิท้องนสันบอกว่าสติว่าสดิเนจคือคนวานบคนทอยคนทอยยังคนวานบอกฮอบดีฮอกองจ้ากเฮอกบดีฮอกพญายามเฮ็ดดีที่ฮอเนี่ยควพญายามันสาเร็จจึงกควพญายามผูกเขาไปรักซกยกหอมกับสาเร็จจึงกพญายามขึ้นกันนั่นแหละ แต่มันหาย ผ, ายผลางกันผู้ทําควอมดีกับสมเด็จที่กับควอมพราะย่ามจะห้ผลางกันถ้าอยากเป็นคนแน่นอนเป็นนิยะโตบุคคลเป็นคนแน่นอนก็ต้องรักษาศีลฮะไม่ต้องประสอนพวกพระก็ได้หูวจักคอเวน้นยิ่งละเว้นแล้วมันี่แปลเว้นแล้วจากเว้นคอนี้ชิขาประทังสมาธิย่าไม่เว้นเป็นชิกขาบทหนึ่งหนึ่งบทของคิดของใจที่ว่ไปรวงไม่ผ่ า, ากายว่าใจใจไปบวง ไปไปลวงถึงว่าพุทธภาธรรมพระสงค์เยเกกีพุธทธช่งสนะนั่งขตจ่าชนะเตะขมิดันติอปลาญพุ่งปะหายยมาลุสังเทหังเทวกายย่างปริปูเรศสันติติลุสังในมหาสมัยศูตรผู้ได้ถึงพระพุทธเจ้าท้าบัณฑิยสงก็ดีตายจากมานุษย์ย่างต่ำๆก็ไปเกิดในสวรรค์ย่างสูงกว่เทวโลกพุ่มมาโรมมาโลกเทวโลกกับสวรรค์อันเดียวกับหะละย่างสูงกับพุ่มมาโลก ดยกำลังซ้านสูงที่สุดในโลกกุตละขามขามโลกขี้ยะกับพระสวสดาบันฑ์จกรทาข้ามี้อนาข้ามีอรหันนั่นสามารถทรงถึงผุ่นทำเจระบวัระบาลของพระพุทธเจ้าทรงตรพนิพาฒน์บัตรมหาเได้ิวรรยายหรกเววาหลายก็ว่าควบเก่าหันล่ะเขาเกะขกโกนพรโลนหัวออกเขาปั้นกูตอกมันลุบขกโนเขาว่านเขาล่าอยู่ล่ำมดขึ้นกับม่มีก่อนเก่านม่เถาเว้ยเขาว่านอันนี้โอกาสละอันนี้คือกัน ก็มีข้อหมายอันเดียวหมายอยากให้ศาตร์ทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติดีเท่นพระพุทธเจ้าก็จอกจอกยุ่นแปดหมื่นทีพระธรรมคันบนพระพุทธเจ้าสอนคนเดียวเนียสอนผู้นั้นอะไรอุบายอันนั้นเราเอามาร่วมไว้สอนยุหันอุบายอันนี้เยอามาร่วมไว้สอนยุหันอุบายอันนี้เอามาร่วมไว้ควบเป็นจริงเป็นรสชาติอันเดียวกันมีความย่างถึงพระนิพพานอันเดียวกันเป็นเครื่องบรรเทาราคโทัสะโมหะอันเดียวกันแต่ว่าเห้เพราะเป็น ถ้บอลเอากัดมาถึง เ, เครื่องพิพม่มเพิ่มราคาโทษสามโมฮาซะคือพระพุทธเจ้าแลี้ยพ้นสอนไว้ว่าอันนี้สองแห่งการฟังธรรมมีหายางผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเพราะผู้เทศมีอุบายปแปลกฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดก็ต้องเข้าใจชัดเมื่อเข้าใจชัดแล้วก็บรรเท า, าความสงสัยได้และทําความเห็นให้ถูกต้องในข้อแห น, นั้น ประเทศก็มีอันนี้สองอยู่แสดงทําไปโดยลํำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความอ้างเหตุผลแนะนําให้ผู้ฟังเข้าใจตั้งจิตเมตตาให้ปหัจฉัยเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงละทําพราเห็นแกล่ลาบไม่เห็นแก่ขนมไม่เห็นแก่ชะตางอืมไม่แสดงทํากระทบตนและผู้อื่นคือว่าไม่ยกตนเสียสีผู้อื่นเป็นองค์แห่งธรรมกัตถ์คือนัะเทศห้าอย่าง ถ้มัดสากระฉาเอตมั่งคังมุนจะมั่งเป็นมงคลนั่นอุดมดีามันบ่บ่ทำมัดสากัชฉอเลยโมคือเขาสอนได้กินเหล้าพวกกินเหล้าผัแป้งเอาว่ากินเป็นระยะระยะระยะระยะมันบ่บาปเพราะว่าคำสอนของพุทธเจ้ามีค้าล่ำนอกระสนย่าไปเหยียบยำตีเป็นเลขเป็นพามันชิบหายไหวว่าเห็นตาหูกตาแท่อือมือนี่เนี่ยทั้งร้ายเป็นส่วนมาก ขัดไปหาพาหาเจ้ามีมาง่ายสาเถยอย่าไปฟังเทศทังท่ามเพลินบัดกับเมื่อบ้านไปผูกเอเล็กเอพาขัดไปผูกเอเล็กเอพาแล้วถือเขากะว่าเขาก็ว่าเอามาแต่ยสำนักนั้นบ่ถือเขาก็ว่าเอามาด้วยสำนักนั้นมันก็เลยเสียไปเบิดมุนอไอป้ายเอารลดโลกรวัชชะของสันเอาโรคโลดโลกที่เตียน เขาวาห่าดีห่อกระ่ดีเราเขาวาห่าสัวห่อกระโปดสวเราหันห่เผ็ดสัวจริงอยู่แต่ว่าโกกรกวับ ช, ชะต้องมีต้องรักษาพวิ น, นัยกห้รักษาเหมือนกันโกกรกวับ ช, ชะ